ครับที่มันหนักๆเนี่ยไม่ไม่ทราบว่าวคือรู้สึกว่าช่วงนี้ไม่ได้ขมแล้วอะครับแต่ว่ามันยังมีหนักเป็นช่วงๆครับคิตใจเราบางทีก็ไปหยิบฉวยอารมณ์มานะบางทีก็เกิดจงใจปฏิบัติขึ้นมาถึงไม่ขมนะแต่จงใจปฏิบัติก็เป็นนะแลรู้สึกว่าช่วงนี้ก็จงใจน้อยลงครรู้สึกเอ๋อะไรที่เข้าไปทํานี่มันจะน้อยลงแทบทุกอย่างดีแล้วดนะี วันวันนี้มันไปทำเข้าอไปข่มขึ้นมาไปกดไว้เป็นวันวันบางวันก็เห็นบางวันก็ไม่เห็นมันยังไม่แน่นอนกระทั่งได้โสดาสกิทาคานะบางวันยังภาวนาไม่เป็นเลยมันเหมือนโอ้หายไปหมดแล้วไม่รู้จะเริ่มยังไงเป็นทุกคนอะ่ะแต่ว่าเราอย่าไปตกใจ ไม่มว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้นนะถ้าเราสักว่ารู้สักว่าเห็นใจเราไม่ดิ้นนะแป๊บเดียวก็ดีแล้วอย่าไปกลัวนะมันไปข่มไว้มันเ น, น, นี้ยแป๊มตรงกันบ้านคนนี้ป้ายใหญ่ดีถูกใจคนอื่นจะเอาอย่างก็ได้นะช่วงนี้หลงนานค่ะหลวงพ่อเพราะว่าแบบยุ่งอยู่กับงานนะคะแล้วก็ ใจมันร้องเพลงมาหลายวันแล้วก็ไม่ก็ไม่ยอมหายสักทีค่ะเมื่อเช้าก็มีใครร้องเพลงกุ้งร้องเพลงมันต้องทำยังไงอะคะหลวงพ่อมันต้องทำยังไงเดียมันทำอะไรมันไม่ได้คือคือปล่อยตอนแรกก็ปล่อยใช่ไหมฮะมันก็เหมือนมันก็ร้องอยู่เนี่ยมาหลายวันแล้วค่ะคือสิ่งเดียวที่ทำได้นะคือทำใจเพราใจมันจะร้อง หน้าที่เรานะก็คือภาวนาเดินจงกรมไปพุทโทไปอะไรก็ได้นะมีเครื่องอยู่ไว้อันหนึงแล้วก็ภาวนาขอเราไปเรื่อยๆอย่าไปใส่ใจกับมันอย่ามัวสนใจถ้ายิ่งเราสนใจนะยิ่งเกิดใหญ่ยิกงนอไปเลยเราทำกรรมฐานปกติของเรานั่นแหละจะเดินจงกรมจะพุทโทอะไรก็ทำไปสักอันนึงเสร็จแล้วก็คอยรู้ทันใจที่เคลื่อนไหวเปลีป่ยนแปลง ใจมันจะร้องเพลงอย่ไปสนใจยิ่งพยายามห้ามยิ่งร้องใหญ่เลยนี่หลวงพ่อไม่รู้นะว่าคนสมัยต้นต้นรันตนโกสินทร์ถ้าภาวนาแล้วใจร้องเพลงมันจะร้องเพลงไทรเดิมไหมร <laughs> ้องเอิงเอ่ยเอิงเอ่ย อ, อยู่ข้างหนนะ <laughs> คงไม่น่ารำคาญเท่านี้นะนี่แหมมันพูดซ้ำอยู่ประโยคซ้าหลวงพ่อก็เคยเป็นก็ร้องเพลงร้องอยู่ได้วักเดียว ร้องอยู่นั่นน่ะจนโมโหมัมนน่ะเอาาวนามากมากน่ไม่เป็ดหรอกสบายนะมีแต่ความสุขล้วนๆเลยมีอะไรไหมแปบบเอ่อจะถามหลวงพ่อค่ะว่าเคยคือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ่ะนะคะก็คือกราบรูปหลวงพ่อค่ะแล้วบางครั้งก็ฟังฟังเทปเนี่ยมันก็เกิดอาการ ไม่ไม่รู้จะอธิบายยังไงอะค่ะขึ้นมาแบบเหมือนกับว่าไปทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อ, อย่างงี้คือมันปิติอันปิตินะคะก็นึกถึงหลวงพ่อมันได้สังขารุสตินะบางคนอยู่ไกลๆนะนึก ถ, ถึงเวลากลัวผีก็นึกถึงก็มีนะ <c oughs> บางคน <c oughs> <c oughs> บางวันบางคนจะไปอภิปรายก็มานึกถึงหลวงพ่อก็มี ถ้าถ้ามันเกิดอาการอย่างนี้เนี่ยเราก็คือให้ดูใจเราให้ให้รู้ทันใจใจยินดีก็รู้ใจสงสัยก็รู้อะไรเกิดขึ้นกลับมาดูใจช่วงนี้จะเห็นความกังวลมันมันมามันมาของมันเองโดยไม่มีสาเหตุนะคะแล้วถึงเวลามันก็ไปอะคะ่ะเถอะ น, นดูไปทุกอย่างมาแล้วไปรู้แค่นี้พอละ ไม่ต้องอยากแก้ไขไม่ต้องไปวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์รู้แล้วก็ไม่ทําอะไรนาแบบไม่มีเหตุผลเลยอะค่ะจริงมีนะในเราใจมันตรึกอะไรขึ้นมาละใจมันกังวลนี่มันยังไม่แปลเป็นภาษามนุษย์ให้เราฟังใจมันคิดไปแล้วล่ะสังเกตไหมเวลาที่ใจคิดนะมันยุกยิบยกยิขึ้นมาก่อนนะดูออกไหมแล้วมันค่อยแปลเป็นภาษามนุษย์ทีหลัง มันจะไหวขึ้นมาก่อนไหวไหวตัวนี้ใจมันคิดไปเรียบร้อยแล้วแต่เรายังแปลไม่ออกภาษาของใจมีนะภาษาตัวเนี้งั้นเวลาที่เราจะคุยข้ามพบข้ามชาติข้ามภูมิคุยกับผีกับอะไรเงี้ยใช้คลื่นตัวนี้ทั้งหมดเลยแล้วมันสื่อความเข้าใจกันเป็นภาษากลาง ใ, ใจนี้คิดคิดอยู่ตลอดอะ่ะไหวแวบแว บ, ว บ, วบขึ้นมาเรื่อย บางครั้งเรายัางแปลไม่ทันก็ไม่รู้เอ๊ะอยู่เฉยๆไม่มีเหตุมีผลอะไรก็กังวลได้จริงมีเหตุนะ <c oughs> เหตุรักที่รักตัวเองนั่นแหละลึกลงไปถึงที่สุดนะมันต้องรักตัวเองเลยมันถึงกังวลค่อยๆสังเกตลงไปมันมันเรื่องอะไรรักตัวเองเรื่องอะไรไม่มีแต่รักกายรักใจต่อไปก็รักคนรอบๆตัว รทรัพย์สมบัติอะไรเงี้ยรัชื่อเสียงรักอะไรค่อยกระจายออกไปมันเกิดจากรักตัวรักตนก่อนค่อยสังเกต น, นะเนะลองดูเดี๋ยวก็รู้ว่าเพลาดอะไรถ้าพอรู้ว่าเพราด อ, อะไรแล้วจะหายเลยจะไม่เป็นก็อยากอยากให้ตัวเองมีความสุขไม่ต้องกังวล น, นะคะนั่นแหละนั่นแหละถ้าทำให้กังวลเลยก็รัก ต, ตัวเองอย่างนั้นแหละลึกลงไปถึงที่สุดของปัญหาก็คือความรักตัวเอง พเราเห็นว่าตัวเรามีจริงๆถ้าเมื่อไรเห็นว่าไม่มีนะไม่กังลวลละมีชีวิตอย่างไม่ยึดถือไม่กังวลเป็นศิละปะของการดำรงชีวิตนะทำไงเราจะสามารถมีชีวิตที่โปร่งโล่งเบาได้ใจที่ไม่ยึดถือใจที่ไม่กังวล น, นะโปร่งโล่งเบายึดถืออะไรยึดถือในตัวเองกังวลอะไรกลัวตัวเองจะไม่สบายคุณพระดา ใช้ได้นะที่พอนาอยู่ดีนะดีล้ครับตอนนี้ก็เห็นเห็นว่าพอเริ่มกระบวนการคิดหรือปรุงแต่งความหนักความกังวลความทุกข์ก็ตามมาทันทีครับใช่ทันทีที่เริ่มปรุงแต่งความทุกข์ก็เกิดคําว่าปรุงแต่งก็คือการสร้างภพของจิต น, นั่นเองจิตมันทํางานเมื่อไร่สร้างภพเมื่อนั้นความทุกข์ก็เกิดมีตัณหาก่อนนะมีความอยากก่อน ใจมันมีความอยากขึ้นมาเช่นมันอยากดีอยากปฏิบัติอะไรเงี้ยใจมันก็ปรุงแต่งขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมากระทุกเลยแต่ห้ามไม่ได้ใจจะปรุงใจจะอยากห้ามไม่ได้แต่รู้ทันได้ที่มันยังปรุงอยู่เพราะว่ามันยังละอวิชาไม่ได้ก็ต้องปรุงมันยังล่าความเห็นผิดในกายในใจนี้ไม่ได้มันรู้สึกกายนี้ใจนี้เป็นตัวเรากายนี้ใจนี้เป็นตัวดีตัววิเศษ เป็นตัวสุขถ้าปัญญามันแทงทะลุลงในกายในใจจริงๆนะมันวางกายวางใจอันนี้ไม่ปรุงละมีชีวิตแบบไม่ปรุงแต่งงูมีแต่ความสุขนะเพราะว่าทุกครั้งที่ปรุงแต่งมีทุกทุกครั้งรู้สึกไหมพระเจ้าถึงบอกว่าตัณหาเป็นผู้สร้างภพนะพอสร้างภพขึ้นมาทีไรก็มีทุกทุกทีเลยพบน้อยพบใหญ่พบใหญ่ก็คือการที่เราตายไปแล้วไปสู่ภพต่างๆ พบน้อยก็คือพบที่เกิดในจิตในใจแต่ละขณะแต่ละขณะนี้ทุกครั้งที่เกิดการทํางานทางใจความทุกข์ก็เกิดขึ้นที่มันทํางานทางใจเพราะว่ามันยังไม่เข้าใจในกายในใจมันคิดว่าเป็นตัวเราจริงๆยึดถือเอาไว้อยากให้เป็นสุขก็ดิ้นดินดินไปเรื่อยปรุงไปเรื่อยนั่นเรามีสติเรารู้ทันการทํางานของของจิตใจการทํางานดับไปเราก็พ้นทุกข์ไปชั่วคราวพ้นด้วยสติ ถามาปัญญาแจมแจ้งลงในกายในใจไม่ทํางานและไม่ปรุงแต่งแล้วอนี้พ้นถาวรพ้นด้วยปัญญาแล้วพ้นด้วยสติเนี่ยพ้นชั่วคราวแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นคราวๆเป็นขณะขณะจนปัญญาแจ่มแจ้งในกายในใจนะไม่ยึดถือกายยึดถือใจท่า น, นี้พ้นถาวรไม่ทํางานไม่ปรุงแล้วไม่ปรุงเองเลยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยจิตใจว่างงานนะที่บอกว่าจบกิจจบกิจเพราะาจิตใจไม่มีงานจะทํามีความสุข จิตของพวกเราทำงานทั้งวันทั้งคืนรู้สึกไหมเหนื่อ ย, ยไหมไปเห็นแล้วเหนื่อยนะไม่เห็นไม่เหนื่อยหรอกมันดีนะแล้วที่ว่าเหนื่อยเหนื่อยแล้วเบื่อไม่ไม่เบื่อไม่เบื่อเพราะอะไรเพราะยังรักกายรักใจก็ต้องทำงานไปเรื่อยๆก็ดิ้นดิ้นอะไรดิ้นหนีความทุกข์ดิ้นหาความสุขไปเรื่อยๆ มันเส้นผมบางฝูกเขานิดเดียวถ้ารู้แจ้งลงในกายในใจนะเรียกว่ารู้ทุกข์รู้รูป ร, ร, รู้นามแจม่มแจม้งเรียกรู้ทุกข์ตัวทุกข์ล้วนๆนะไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษนะเห็นรูปนามกายใจเป็นทุกข์ล้วนๆนะมันหวางมันหมดแรงดิ้นแล้วคราวนี้มันไม่ต้องดิ้นรนให้กา ย, ใ ห, กายให้ใจเป็นสุขแล้วไม่ต้องดิ้นรนให้กายให้ใจพ้นทุกข์รําพ้นไม่ได้เพราะมันเป็นตัวทุกข์อยู่โดยตัวของมันเองเหมือนเราจะไปทําให้ไฟมันไม่ร้อนเงี้ยนะมันทํำยังไม่ได้ ไฟมันมีคุณสมบัติร้อนอยู่จิตใจที่ยังไม่ฉลาดที่ต้องดิ้นรนไปเรื่อยๆห้ามไม่ได้หรอกปรุงไปเรื่อยๆปรุงสุขปรุงทุกข์ปรุงดีปรุงชั่วปรุงครั้งไรก็เป็นทุกข์ทุกทีมันใหญ่เชิญช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานี้นะคะรู้สึกว่าร่างกายนี่ไม่ค่อยสบายกัแบบเหนื่อยแล้วก็เครียดแบบ ก็เลยมีความรู้สึกว่ามันหนักหนักขึ้นมาค่ะหลวงพ่อแล้วเขาเขาไปประครองเหมือนอยากจะให้มันสบายนั่นแหละให้รู้ตรงที่อยากเน<ะ>่ยค<ะ>่ะคือคื อ, คอดูๆไปแล้วมันก็ยังไม่ไม่หลุดสักทีนึงก็เลยเอกใจขึ้นมาว่าคงจะเป็นไม่มีกําลังพอค่ะก็เลยลองไปไหว้พระสวดมนต์ดูพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่พอพอสบายสบายใจขึ้นมาแล้วนี่นะคะหลุดเลยค่ะหลวงพ่ออืมนั่นแหล ะ, ะอย่างนั้นแล้วพอใจมีสมาธินะปัญญามันเกิด ถ้าไม่มีสมาธิปัญญาไม่เกิดสมาธิทําให้เกิดปัญญาแต่ต้องสัมมาสมาธินะอย่างที่เบอร์สิบเก้าชอบทำมันจะเป็นมิจฉาสมาธินะจะซึมๆไมใ่ใช่ไม่ได้สมาธิซึมๆใช้ไม่ได้นะสมาธิรู้ตื่นเมือกบานขึ้นมาของคุณใหญ่เริ่มทําขึ้นมาแล้วทราบไหมเริ่มทำเม2 2> ื่อสองวินาทีนิ่งค่ะไม่รู้ทันตรงนั้นแหละค่ะ อคุณโตหลวงพ่อคราเวลามาอยู่ในวัดจะรู้สึกมีประคองอะค่ะแต่ว่าอยู่ข้างนอกนี้ค่อนข้างปล่อยแล้วค่ะเหมือนกับเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็ดีเองอ <laughs> เดี๋ยวมันก็ดีจะอย่าให้เดี๋ยวนานก็แล้วกันด <laughs> ีก็หลงนานเหมือนกันแต่ไม่ทิ้งรูปแบบนะมีรูปแบบไว้บ้าง ของคุณใหญ่ดีแล้วเราใช้ใช้สติใช้ปัญญาสังเกตเอาในรู้ว่าขาดสมาธิจริงๆกำลังในการปฏิบัติมีห้านะศรัทธาวิริยาสติสมาธิปัญญาต้องคอยเช็คตัวเองว่าอันใดมากอันใดน้อยไปเช็คตัวเองแล้วก็ปรับสมดุลมันไปถ้าเราดูของเราออกเราก็แก้ตัวเองได้เอาตัวรอดไปได้ดูไม่ออกก็าอาศัย เพื่อนสหธรรมิกอาศัยครูบาอาจารย์กัลยาณมิตรอะไรเงี้ยบอกให้ที่ดีที่สุดนะอาศัยการสังเกตหลวงพ่ออาศัยการสังเกตมากเลยเพราะไม่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์อยหลวงพ่อมนตรีนะไปหาหลวงปู่ทั่วทิศเลยวันศุกร์ไปแล้วนั่งรถด่วนไปแล้วทีห้ 5, วันเสาร์ไปเข้าวัดบูลแล้วนะหลวงพ่อสามเดือนสี่เดือนไปทีหนึ่งงั้นเวลาที่เหลือเนี่ยใช้การสังเกตเอาสังเกตบางช่วงศรัทธามากไป ชักจะโง่แล้วงมงายคิดว่าเออทําำไปเดี๋ยวมันก็พ้นเองมีนคนข้างโง่นะทำํทำๆมันต้องมีเหตุมีผลนะไม่ใช่เออดูยูไปเรื่อยทาผิดทําถูกก็เปล่าไม่รู้เนี่ยไม่ใช่ทําไปเรื่อยๆแล้วก็บรรลุได้นะถ้าทําผิดมันไม่บรรลุหรอกมันต้องมีสติปัญญารู้เลยไม่ใช่เชื่องมงายนะว่าทํา ำ, ท, ำทนท น, ทนไปแล้ววันหนึ่งรู้ไม่ใช่มีความเพียรความเพียรมากไปหรือความเพียร น, น้อยไปต้องวัดตัวเองดู บางช่วงขี้เกียจขี้คล้านก็เอาข้ออ้างนะมีข้ออ้างนะเวลาขี้เกียจขึ้นมาก็บอกว่าจิตมันไม่ใช่เราไม่รู้จะขยันไว้ทำไมนะนะไม่ใช่เราถ้าขยันเดี๋ยวจิตเป็นเราขึ้นมาอีกนี่หาข้ออ้างนะบางช่วงขยันเกินไปภาวนาหามรุง่งหามค่ำจิตใจไม่ได้พักผ่อนเลยไม่มีความสุขแห้งแง้งเหน็ดเหนื่อยเกินไปใช้ไม่ได้เหมือนกันสติ สติของเราเกิดเองหรือว่าสติบังคับให้เกิดสติเกิดเองในใจกระโปรงร่องเบาวสติบังคับให้เกิดด้วยใช้ไม่ได้หรือสติคมกล้าเกินไปแข็งปึกเลยอะไรไหววับเนี้ยรู้หมดเลยนะรู้แบบโหคมกลิฟเลยคมเกินไปก็ใช้ไม่ได้ต้องค่อยๆสังเกตตัวเองนะสมาธิใจของเราตั้งมั่นจริงไหม ใ, ใจเราไปซึมเศร้าอยู่ในอารมณ์แดนหนึ่ง หรือใจเราตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าเห็นอารมณ์ต้องคอยสังเกตเอาบางช่วงพอนาไปแล้วเห็นสภาวานะนั้นไม่ขาดสักทีดูใหญ่ดูใหญ่อยากให้มันขาดนะเห็นได้มันเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยนะมันไม่ไม่ขาดไปนะสังเกตให้ดีขาดสมาธิไหวพระสวนมนต์ขึ้นมาหรือทําสมาธิพักพ่อ น, นิดเดียวนะพอถอยออกมาเห็นสภาวานะนั้นขาดสับบ้นเลยนะสมาธิไม่พอต้องสังเกตเอา ปัญญาก็ต้องสังเกตนะปัญญาฟุ้งซ่านหรือว่าปัญญารู้จริงๆปัญญาคิดปัญญานึกปัญญาน้อมปัญญาฟุ้งซ่านปัญญารู้ก็ปัญญาตัวจริงแต่บางครั้งก็ต้องอาศัยการคิดการน้อมเหมือนกันมีศิลปะนะมันไม่ใช่เป็นศาสตร์อย่างเดียวนะการปฏิบัติเป็นศิลปะด้วยนหน่อยใครมีศิลปะเก่งๆหลวงพ่อจะออกใบรับรองประกอบโลกศิลนะ <c oughs> มีศิลปะ นะมีศิละปะในการปฏิบัติมันเป็นชั้นเชิงนะเราไม่ได้บัวได้ควายมีแต่เรี่ยวแรงก็ทุ่มเมาทุ่มเมาหรือว่าชั้นเชิงมากจนไม่ต่อยสักทีนะฟุตเวิร์กสวยอยู่นั่นนะก็ไม่ได้กินอีกนะนี่มันต้องสังเกตตัวเองเลยทั้งศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่มันมันพอเหมาะพอควรไหมอันใดมากอันใด น, น้อยใช้ไม่ได้สติยกเว้นสตินะสติยิ่งบ่อยยิ่งดี แต่สติกล้าแข็งไม่ดีศรัท ธ, ธามากก็โง่วิริยะมากก็ฟุ้งซ่านเหน็ดเหนื่อยสมาธิมากก็ซึมเศราปัญญามากก็ฟุ้งซ่านอีกหรือไม่เชื่ออะไรเลยเชื่อตัวเองกูเก่งกูเก่งพวกปัญญากล้าปัญญาอย่างนี้ไม่ใช่ปัญญาทางศาสนาพุทธหรอกปัญญาคิดมากหลวงพอไล่ไปก็มีนะพระ เจออ้าความคิดเจออ้าความเห็นไปไปไหนก็ไปไปเรียนที่ไหนก็ไปไม่สอนหร อ, อ, อกเจ้าความคิดเจออ้าความเห็นนะสังเกตเอานะช่วยตัวเองได้เยอะๆยิ่งดีอ่ะควรอภิชาตอภิชาตโตก็ตอนนี้มัวๆอยู่นิดนึงใช่เหมือนนิดใจใจไม่โปร่งหรอกไหม ไม่ใช่มัวอย่างเดียวไม่ปรงด้วยยัมีน้ำหนักมีการทำงานเรือออกไหมใช้ได้ละก็นับแต่มาจะหานับแต่หลังจากเราหาหลบพ่อเมื่อเดือนที่แล้วก็คืออยู่ในช่วงใกล้สอบก็เลยทำให้สมองใช้ความคิดมากก็เลยการปฏิบัติก็เลยไม่ก้าวหน้าครับการดูอะไรก็เลยไม่ชัดเจนแล้วก็เผอิญไม่ได้ได้ปฏิบัติในรูปแบบก็เลยไม่มีกาลัง แล้วยิ่งช่วงนี้ก็คือมีเรื่องจะเรื่องจะเพื่อนอะไรแบบนี้อีกก็ทําให้ก็เลยรู้สึกเศร้าก็เลยทําให้ไม่ค่อยจิตช่วงนี้ไม่ค่อยมีกําลังครับแล้วไมืไ่อวานที่ฟังหลวงพ่อก็ยังต้องมีการบังคับตัวเองเพื่ อ, อดูความคิดที่มันหลุกหลิกไปหาเรื่องเพื่อนแล้วก็ระหว่างวันที่ก็มาเพ่งหลวงพ่อบ้างมาเพ่งพยายามคิดตามที่หลวงพ่อพูดบ้างครับอืมนี่ตอบถูกแล้วใช้ได้แล้วอ่านไปเลยดีมากนะดี ให้เราเห็นสภาวะไว้งนั้นนหะเราเห็นนมันทำงานของมันเองนะไม่มีฟลุกนะมีเรื่องเหตุเรื่องผลทั้งนั้นเลยช่วงนี้เราไปหมกมุ่นทางโลกนะทางธรรมเราก็ย่อหย่อนไปก็เป็นธรรมดาหรือช่วงนี้เราทิ้งโลกแล้วเราจะลุยเรื่องธรรมะลุยมากไปก็ไม่ได้เรื่องอีกค่อยๆสังเกตนอนาะดีวันนี้รู้สึกตื่นมาแล้วมันมันคล้ายๆว่า ใจมันจะลอยตลอดเลยไม่สามารถจะรวบรวมได้แล้วก็เพิ่งมันคือใจเราอาจจะเมื่อสองสวันก่อนรู้สึกปฏิบัติได้ดีใจเราคงอยากจะปฏิบัติให้ได้เหมือนสองวันนั้นดีนะดีแล้วแล้วเมื่อกี้นี้พอมานึกได้ปั๊บก็รู้สึกมันจะรวมได้นิดนึงจิตขณะนี้เป็นไงมันคล้ายๆอย่างวกแวกไปวกแวกใช่ใชวกแวกแล้วเราก็เลยกดมันไว้ดวกไหม ไปกดมันไว้หนุ่มใส่แว่นตาเนี่ยนะภาวานาดีขึ้นเยอะและ้วแต่ก่อนเนี้ยเอาแต่เพ่งเอาเพ่งลูกเดียวแต่มีทิฏฐิด้วยนะว่าต้องเพ่งไว้ก่อนนี่แหละเขาเรียกว่าทิฏฐนะิต้องเพ่งไว้ก่อนเพ่งไว้ก่อนคือจริตนิสัยคนมันต่า ง, างกันมันไม่ใช่ทุกคนต้องเพ่งก่อนหรอกบางคนเพ่งนะ้้วก็เพ่งไปทั้งชาติเลยนะครับ รู้สึกว่าตามอาการเผลอได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็จิตมีสมาธิได้ไวขึ้นทําให้บางครั้งมีความรู้สึกว่าเรานิ่งไปหรือเปล่าหรือเราเฉยหรือเราเป็นกลางหรืออุเบกขาคือแยกไม่ออกว่าเป็นอะไรจิตขนาดนี้เป็นไงก็นิ่งๆเฉยๆแล้วก็อันนี้เป็นปกติแล้วใช่ไหมอย่างนี้เป็นปกติเป็นส่วนใหญ่นะครับเอาตรงเนี้ติด ติดการตกครองไว้จิตขณะนี้ไม่ใช่จิตธรรมดาจิตขณะนี้นิ่งผิดธรรมดาครับตรงนี้พอสังเกตได้ไหมคือในความรู้สึกเหมือนว่าเป็นธรรมดานะฮะแต่เราเพ่งจนธรรมดาเลย <c oughs> แ, ตแต่มีความสงบดีนะฮะสงบปักที่ผ่านมาใช่ใช่แล้วการแก้ไขแล้วครับให้รู้ทันเท่านั้นนะรู้ว่านิ่งไป <c oughs> เดิมมันฟุ้งซ่านพอเราภาวนาเราตามรู้ตามดูใจเราเกิดสมาธิขึ้นมาได้ถ้าเราจงใจดูนะเราได้สมาธิาเราจงใจเราขยันคอยรู้คอยดูเรื่อยๆจิตใจจดจ่อลงไปในการรู้การดูจิตใจตัวเองก็เกิดสมาธิได้เหมือนกันนี่พอเกิดสมาธิแล้วเราพอใจว่าจิตใจของเรามีความสุขจิตใจเรามีความสงบมากขึ้นเราไปพอใจตรงนี้นก็เลยไปติดอยู่ตรงนี้ ให้รู้ทันจิตที่มันพอใจในความสุขความสงบที่เกิดขึ้น <c oughs> เวลาที่เราภาวนาจนเราตื่นแล้วนะมันก็ยังมีเนี่ยทางติดตรงนั้นทีติดตรงนี้ทีไปเรื่อยๆนะตลอดสายเลยตลอดสายของการปฏิบัติติดตรงนั้นทีตรงนี้ทีเราต้องค่อยๆสังเกตเอามันจะติดในอะไระติดในฝั่งสองฝั่งพุทธเจ้าบอกท่านเคยชี้ให้พระทั้งหลายดูท่อนไม้ ต้นไม้นี่ลอยอยู่ในแม่น้ําคงคาฉันบอกว่าถ้าไม้นี้นะลอยไปไม่ไปติดฝั่งข้างซ้ายไม่ติดฝั่งข้างขางวาเนี่ยลอยไปเรื่อยๆไปได้ไม่ไปถูกน้ําวนดูดเอาไว้ไม่ไปเปื่อยเน่าผูพังลงไปซะก่อนอย่างเงี้ยวันหนึ่งน้ํานี้จะไอ้ไม้ไอ้ท่อนนี้จะลอยไปถึงมหาสมุทรก็คล้ายๆจิตนี่เองจิตถ้าไม่ติดในฝั่งซ้ายฝั่งขวา คือติดในกามสุขาริการนุโยคติดในอัตตกคิเลมัฏฐานนุโยกติดในธรรมที่เป็นคู่คู่ทั้งหลายติดในความสุขติดในความทุกข์ติดในกุศลติดในอกุศลติดในธรรมคู่ทั้งหลายถ้าจิตไม่ติดในธรรมคู่ทั้งหลายนี่ก็คือไม่ติดฝั่งใดฝั่งหนึ่งแต่เวลาอะไรลอยน้ําไปสังเกตดูเดี๋ยวชอบติดข้างโน้นทีข้างนี้ทีจิตเรานี้เหมือนกันเดี๋ยวติดซ้ายติดขวาไปเรื่อยเราก็มีหน้าที่คอยรู้ทันว่าตอนนี้ไปติดข้างไหนล้ว ติดข้างข้าง้างเผลอหรือติดข้างเพ่งไว้นะอย่างของของคุณตอนนี้มันติดข้างบางคำไ้นิดหนึ่งนิดเดียวนะไม่ใช่ต้องฟุ้งซ่านนะไม่ใช่นะให้รู้เท่านะั้นนะว่าใจเราพอใจใจเราพอใจในความสุขความสงบที่เกิดขึ้นในคุณงามความดีที่เกิดขึ้นใจเราพอใจอยู่นะนี้บางคนก็เน่าสักกลางทางนะถูกกิเลสเอาไปกินนะบางคนก็ถูกน้มวนนี่ถูกกามดึงดูดไป มีหลายอย่างนะหลวงพ่อชักจาไม่ได้ละสูตรนี้ยาวมีอุปสรรคหลายอย่างที่จิตจะไปสู่ความหลุดพ้นแต่ตัวสำคัญเลยเรื่องติดซ้ายติดขวาเนี่ยมันติดทั้งวันะติดตลอดสายเลยแล้วก็อย่ากลัวว่าติดนะไม่ต้องกลัวว่าติดเพราะถึงยังไงก็ติดถ้าไม่ติดก็หลุดพ้นไปแล้วล่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจว่าจิตเราไปติดโน่นติดนี่ค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไป มันค่อยๆมาติดฝั่งนี้ก็ค่อยเคี่ยมันออกไปไม่ให้เนิ่นช้านะวันหนึ่งเราก็จะออกสู่มาหาสมุทรได้ด็อดเตอรอูออ๊ถ้าถ้าดูในระยะยาวๆก็รู้สึกว่ามันมันมันก็ดีขึ้นแ่ะนะครับแต่วา่าช่วงที่อย่างช่วงงานหนักๆนีก่ก็มันหมุนอยู่แต่ในในงาน ก็จะแบบมันก็จะทั้งวันทั้งคืนหมุนอยู่อย่างนั้นนะครับมันทํำงะที่นอนมันก็นอนคือ น, นอนน้อยทงานมากอะไรเงี้ยอืมมันไวทํางาน <c oughs> อู้ด้วยมันไม่ใช่ไวพักผ่อ น, <c oughs> ม, นมีหน้าที่ทํามาหากินต้องทําไปเราไม่ลืมงานหลักของเราท่านนงานทํามาหากินเนี่ยเพื่อจะเลี้ยงตัวเองเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียของเราไปให้พออาศัยอยู่ในโลกได้ งานทางจิตทใจเนี่ยเป็นงานที่เอาตัวรอดจริงๆมี ง, งานที่เป็นผลประโยชน์ที่แท้จริงของเราผลประโยชน์ทางธุรกิจก็เป็นผลประโยชน์จําเป็นต้องมีแต่ช่วงนี้มันช่วงปีใหม่นี่ใช่ไหมก็ต้องหนักหน่อยอะไรก็ต้องทําแต่เราไม่ลืมงานหลักของเราท่านึงเดี๋ยวพอมีเวลานะนก็กลับมาทําอีกแต่ไม่ตกใจนะ อย่างบางคนตกใจช่วงนี้ไม่มีเวลาปฏิบัติเลยนะรุ่มใจนะจิตใจยิ่งแย่กว่าเก่าอีกไม่ต้องรุ่มใจแต่ก็ไม่ไม่ได้มีรู้สึกอย่างนั้นนะเออมื่อที่แล้วเมื่ออย่างไมื่ที่เห็นมันมันกังวลมันกุ้มมันเครียดมันก็อยู่อย่างนั้นก็ไม่ได้ไปแก้ก็ก็ออแต่ก็มันก็เป็นของมันวน <c oughs> อย่างนั้นครับใจขนาดนี้ตื่นเต็มที่ยังเออตอนที่คึ้ตื่นขึ้นมานิดนึงครับจากจากเมื่อเช้ า, า, ชานี่ยกดอย<ด>ู่นะครับดูออกไหม ยังขมไหมเดี๋ยวค่อยนั่งสังเกตครัไปพอมันหลุดออกมาเราจะรู้เลยอ๋อเมื่อกี้กดไวค้คถ้า ต, ตอนนี้เรากดจนยืนพื้นนู้นเราเหนื่อยอเราทํางานต่อกันมาเป็นเดือนละมันเหนื่อยมันก็ขมยืนพื้นนิ่งๆไว้งั้นแหละจนกระทั่งเราดูไม่ออกเลยว่าเราบังคับไวค้คือบางทีพอพอเหนื่อยมากทํางานหนักมากๆเนี่ยแบบมันอยากพักเนี่ยก็ก็แบบเอาเอาจิตใจไปเกาะไว้ที่ลมหายใจพักอยู่อย่างนั้นเพราะว่า ไม่งั้นมันมันมันก็ไปแกบปล่อยมันก็มันก็วิ่งุต่อไปเนี่ยเร า, าต้องรู้จักไงว่าเวลานี้ควรพักเราก็พัก<ๆ>ดีแล้วฉลาดแต่เวลาเราดูจิตนะเราจะพักแบบรวดเร็วนะง่ายๆเลยนะหลับตาส้นหน่อยนะหายใจเข้าไปแล้วกลั้นลมหายใจไว้อึดเดียวจิตมันจะเข้าฐานมันนล้สงบไปพักผ่อนพักผ่อนได้ประเดี๋ยวนึงนะออกมาก็ามาทำงานต่อได้แล้ว หลวงปู่เทศท่านชอบสอนนะเรื่องกลั้นลมไปนิดหนึ่งเนี่ยแล้วก็จับไปที่ความรู้สึกนิ่งๆว่างๆอันนี้เป็นที่พักผ่อนของนักดูจิตพักช่วงครั้งช่วงคราวถ้าจะอยู่นานแล้วก็น้อมใจสบายอยู่ที่นั่นนานๆได้ก็จะได้อรุปรชาญอีตา้าเด็กนั้นลูกเหรอโอโตขนาดนี้แล้วโตเร็วมากเลย ขณะขณะที่นั่งฟังหลวงพ่ออยู่เนี่ยก็ก็เฝ้าดูจิต น, นะคะคุณหลวงพ่อว่ามันจะมีแน่นแล้วก็มีเบาสลับกันไปเป็นระยะระยะค่ะดีละดูเรื่อยๆเขาอุอ้มมันติดอยู่นิดนึงนะมันติดมันคมไปนิดนึงมันเหนื่อยมันเหนื่อยเกินไปมันก็กดเอาไว้มันอัตโนมัติอ่ะเป็นงั้นไม่ได้เสียหายอะไรแต่ว่าให้รู้เท่านั้นถ้าไม่รู้เดี๋ยวจะติดกดจนชิน เบอร์เก้าสิบก็ตอนนี้รู้สึกเหมือนกับว่ามันแน่นๆนะครับแต่ว่าเหมือนกับว่ามันแน่นด้วยความอยากจะพูดปนกับความประมาอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ขึ้นขึ้นลงลงนะครับบางครั้งมันก็ลดลงไปบ้างนะครับดีแล้วนะดีแล้วเนี่ยทีมนี้มาด้วยกันเลยกลุ่มนี้ใช้ได้นะดีขึ้นทั้งนั้นเลยดีขึ้น น้ำทรงตอบไปครับก็ก็อย่างการดูอาการโกรธหรือว่าความไม่พอใจอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเออเรารู้สึกเรีเร็วขึ้นครับแล้วก็ทดลองใช้การดูลมหายใจเอามาเป็นแบกกล่าวครับดีดีแล้วนะเพราะว่านาดีขึ้นนะทั้งทีมเลยรู้สึกรู้สึกว่าตื่นเต้นมากแล้วก็กลัวรู้สึกกลัวเรากลวัวอะไร <c oughs> อ่ะ กลัวกลัวตอบผิดแล้วจะแล้วจะเศร้ามากอะไรอย่างเงี้ยแล้วไงแล้วก็ช่วงนี้ก็หลงเยอะแล้วก็นานด้วยแล้วก็จิตจิตแขวงง่ายไม่ค่อยมีสมาธิบวกขี้เกียจแล้วพอจะรู้ตัวขึ้นมาเหมือนจะรู้นิดหนึ่งก็จะพยายามข่มไว้นิด ดีนะดีที่รู้ว่ามันรับยังไงดีที่รู้ว่าไปทําอะไรมันสังเกตไม่มีสองงานนะอันหนึ่งจิตมันทํางานไปนะมันปรุงดีปรุงชั่วปรุงสุขปรุงทุกข์ไปอันนี้อันหนึ่งอีกอันหนึ่งคือเราเข้าไปทํามันเช่นเราเข้าไปข่มมันไว้เราพลอยตามมันไปตรงที่จิตปรุงดีปรุงชั่วปรุงสุขปรุงทุกข์ไม่มีปัญหานะยังไม่ใช่ปัญหาปัญหาอยู่ตรงที่พอเราไปรู้มันแล้วใจเราไปทำงานทางานเข้า ไปปรุงต่อเข้าไปปัญหาไปอยู่ตรงนั้นเองอย่างความกโกรธเกิดขึ้นจิตมันจะกโกรธห้ามมันไม่ได้นั้นไม่มีหน้าที่ไปห้ามแต่พอความกโกรธเกิดขึ้นแล้วอยากให้หายพออยากให้หายเนี่ยหาทางแก้ไขความกโกรธตัวนี้เป็นปัญหาแล้วนี่คือความปรุงแต่งปรุงแต่งใหม่เป็นกรรมใหม่ตรงที่จิตมันโกรธขึ้นมามันโกรธไปตามความเคยชินเดิมๆของมันมันเคยกโกรธมันก็โกรธพอมันโกรธขึ้นมาใจเราไม่ชอบมัน หาทางแก้ asure, ต, ต, ตรงที่ใจหาทางแก้หาทางธรรมนี่แหละเป็นกรรมใหม่ตัว น, วนี้ต้องรู้ทันนะถ้ารู้ไม่ทันแต่ความทุกข์จะเกิดใจอยจะแน่นขึ้นมาดังนั้นถ้าสภาวะใดๆเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่ปัญหาสภาวะใดๆเกิดขึ้นนะเราสักว่ารู้สักว่าเห็นได้นี่ใช้ได้เลยถ้าสภาวะใดๆเกิดขึ้นเราไม่เข้าใจเราพยายามเข้าไปแทรกแซงแก้ไขอันนี้ใช้ไม่ได้ที่ใช้ไม่ได้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ตรงที่มีสภาวะเกิดขึ้นนะใช้ไม่ได้ตรงที่เข้าไปแทรกแซง ไปคล้อยตามบ้างไปต่อต้านบ้างเพราะงั้นสภาวะใดๆเกิดขึ้นปล่อยให้เขาเกิดขึ้นขันห้าเนี่ยเป็นสังคตธรรมเป็นธรรมมาฝ่ายปรุงแต่งเพราะงั้นขันห้าต้องปรุงแต่งไปเรื่อยๆเราไม่ได้ไปห้ามมันอย่างจิตมีหน้าที่คิดนะก็คิดทั้งวันทั้งคืนไม่ต้องไปห้ามมันแต่พอคิดแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วเราก็ไม่ต้องไปห้ามมันเพราะว่ามันต้องเกิดมันมีเหตุมันไปคิดอย่างนี้เข้ามันกระทบอารมณ์อย่างนี้เข้ามันมีนิสัยเคยขี้โมโหเนี่ย มันก็เลยโมโ oh ห ok ขึ้นมาอันนี้ห้ามไม่ได้เพราะมันโกรธขึ้นมาแล้วเราไม่ชอบความโกรธตรงนี้ปัญหาอยู่ตรงนี้แหละตรงที่เราพอใจเราไม่พอใจต่อสภาวะเนี่ยพอเราพอใจเราก็หาทางรักษาเราไม่พอใจเราก็หาทางผลักหาทางทําลายแก้ไขมันออกไปตรงที่เราทํางานขึ้นมานี้ยแหละเรียกว่าเราสร้างกรรมใหม่เราสร้างภพอันใหม่ขึ้นมาจิตจะมีความทุกข์เกิดขึ้นทันทีเลยดังนั้นถ้าเราเห็นสภาวะธรรมเห็นรูปเห็นนามเห็นกายเห็นใจเขาปรุงของเขาไปเรื่อยนะ เราไม่ปรุงอะไรเราไม่ทุกนะขันตั้งหามันเป็นตัวทุกมันก็ทุกมันก็ทํางานดิ้นรนของมันตามหน้าที่ของมันเพราะมันเป็นธรรมะฝ่ายปรุงแต่งเป็นสังคตธรรมเราห้ามมันไม่ได้มันก็ปรุงของมันไปเรื่อยเราไม่ไม่เกี่ยวข้องนี้เราไม่ทุกนะแต่พอเรายินดียินร้ายกับมันขึ้นมามันปรุงอย่างนี้เราชอบปรุงนี้เราไม่ชอบไปยินดียินร้ายขึ้นมาเนี่ยใจก็ดิ้นรนใจก็มีความทุกข์ค่อยๆรู้เรื่อยๆ ง่ายๆ่เพรานะงั้นจิตจะมีความสุขก็ได้จิตจะมีความทุกข์ก็ได้จิตจะเป็นกุศลก็ได้อากุศลก็ได้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันะเมื่อไหร่เข้าไปยุ่งเมื่อนั้นก็มีความทุกข์อันใหม่เกิดขึ้นจิตใจมีความทุกข์ขึ้นมาตัวนี้คือตัวที่เราต้องรู้ทันถ้ารู้ไม่ทันเราจะปรุงทุกข์ซําซ้อนขึ้นมาขันห้าก็เป็นทุกข์โดยตัวของมันเองอยู่แล้วมันต้องดิ้นรนไปเรื่อยๆปรุงแต่งไปเรื่อยๆ เ, เพราะมันเป็นตัวทุกขนะ์หนักต้องดิ้นรนปรุงแต่งไปเรื่อยๆ แต่เราไม่พอใจขึ้นมาเราพอใจขึ้นมาใจเราปรุงแต่งซ้อนขึ้นไปอีกทีเท่านี้เราจะทุกข์ล pues ะขันห้าของพระอรหันต์ก็ปรุงแต่งนะไม่ใช่ขันห้าของพระอรหันต์ไม่ปรุงแต่งขันห้าของพระอรหันต์ปรุงแต่งแต่จิตของพระอรหันต์นั้นไม่มีอะไรปรุงแต่งได้เลยเพขาเหตุขันมันทํางานไปโดยจิตไม่กระเพื่อมบันไหทไม่มีอะไรปรุงแต่งจิตไม่ทํางานต่อที่เรียกบอกว่าหมดหมดจิตแล้วจบจิตแล้วใจไม่ต้องทํางานละ เห็นแต่ขันมันทำงานใจไม่ต้องทำอะไรขันก็ทำงานไปตามหน้าที่ของขันจนวันหนึ่งก็สิ้นขันตรงที่ใจมันพลากออกจากขันจิตมันพลากออกจากขันขันไม่กระเทือนเข้าถึงจิตเรียกว่าสอุปาทิเสสนิพันธ์จิตถึงสอุปาทิเสสนิพานตรงที่สิ้นขันไปแล้วนี่เรียกอนุ ป, ปาทิเสสนิพันธ์แล้วค่ยฝึกนาะเราไม่ได้ฝึกเพื่อให้ขันจิตปกตินะ บางคนพยายามฝึกให้ขันผิดปกติเช่นไม่ให้คิดเนี่ยไม่ให้คิดไม่ให้โลภไม่ให้โกรธไม่ให้หลงเนี่ยฝึกให้ขันผิดปกติให้มันคิดไปให้มันโลภให้มันโกรธให้มันหลงไปแล้วตามรู้มันไปตามรู้แล้วอย่าไปหลงยินดีกับมันอย่าไปหลงยินร้ายกับมันฟองช่วยดูอาการตุกกะเนี่ยส่งต่อไปก็มีแบบฟุงซ่าแล้วก็หดหูอย่างเงี้ย่ะเออฟุงซ่ากับหดหูของคู่กัน ดีที่รู้รู้แล้วชอบไหมไม่ชอบค่ะให้รู้ว่าไม่ชอบให้รู้ลงไปในสุดเราก็จะเห็นเลยจิตฟุ้งซ่านก็เรื่องของจิตจิตหดหู่ก็เรื่องของจิตเป็นชีวิอของเราเราสบายไม่ฟุ้งซ่านไม่หดหู่ไปกับมันหรอกยากนะยากไอ้ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ก้องก้องไงคือวีแบบ เหมือนกับลองผิดลองถูกอยู่ได้ค่ะเนอย่าลองนานนัก็แล้วกันลองนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรที่จริงแล้วพระพุทธเจ้านะลองผิดลองถูกมาก่อนเราลองผิดลองถูกมานานมากเลยเสียสงไขยแสนมหากัปนั่นคือกระบวนการลองผิดลองถูกนั่นเองเรียนรู้ไปเรื่อยๆในสุดก็รู้เส้นทางที่ถูก รู้เส้นทางที่สูงถูกก็คือเส้นทางของการเจริญสติปัฏฐานอยากจะพ้นทุกข์เหรอให้มีสติรู้กายให้มีสติรู้ใจไปให้รู้ไปนะอไปถึงไหนละตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นมากอต่ทำไมมันช่างตื่นเต้นกันเนาะแต่ว่าเมื่อกี้จะรู้สึกแน่นๆครับแต่ว่าเหมือนย้ายที่ได้เดี๋ยวก็แน่นซ้ายเดี๋ยวก็แน่นขวาเดี๋ยวก็กระจาย แต่ว่าตอนนี้ไมามานี่ตื่นเต้นมากๆดีแ ล, ล้วเผลอแล้วเห็นไหมไมไปก็เผลอไปด้วยเพิ่งกลับมาวันแรกยังก็รู้สึกดีขึ้นว่า เ, เห็นใจลอยบ่อยขึ้นดีแล้วแล้วก็รู้สึกกลัวการใจลอยแต่กลัวเฉพาะตอนขับรถนะจ้าคะ่ะแต่ถ้าอยู่ในบ้านแต่รู้สึกไม่ไม่ชอบ ไอตัวลอยนี่พ่ะเคยชิมนับไอตัวจมให้รู้ว่าไม่ชอบดีและตอนนี้ลูกก็เข้าห้อง i c ซแล้วออกจากห้องอย่างสง่างามลูกไหนใหญโอ่งน ะ, ะอ๋อเหรอเป็นไรล่ะก็มีเขาเขารู้สึกจะแพสารเคมีบางอย่างแล้วก็เข้าออก i c ซโดยที่แม่ไม่ต้องไปช่วยอ่ะคะ่ะก็ไม่น่าห่วงนะสำหรับโองนะ มันภาวานาเก่งตอนนี้แม่หมดห่วงก็กลับบ้านได้ได้ดีแล้วจะอยู่จะตายไม่ค่อยสำคัญหรอกโ<ด>ท ช, ชีวิตไม่ใช่ของ <c oughs> วิเศษวิสวอะไรเราภาวานาถ้าอย่างนี้นั้นภาวานาไปถึงขนาดนี้นะจะอยู่จะตายไม่ได้มีนัยยะอะไรสติปัญญานะั้นมันบ่มไว้แก่รับตัวแล้วถวาชาตินี้ไม่ได้นะ จะตายแล้วยังไม่ได้นะชาตินัางง่ายนิดเดียวเลยค่ะของลูกนี่ต้องพัฒนาอะไรไหมเจ้าคะก็ค่อยดูไปใช้ได้ละค่อยค่อยดูไปอย่างยังเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสังสารวราววเรารู้ทั น, ใ ช, นใช่ได้เมื่อก่อนไม่รู้ทันใช้ไม่ได้อ่ะคุณพันทิพย์พวกที่เขามาก่อนหมดแล้วว่าไงช่วงก่อนหนะ้าก้าปีใหมอ่อะคะ กิเลสเยอะมากเลยค่ะพระอาจารย์ hmm. เพราะว่าไม่ต้องมาหาพระอาจารย์ก็รู้สึกว่าเอาน่ะลองดูว่ากิเลสเนี่ยคืออยู่คนเดียวก็ลองดูว่าให้มันถึงที่สุดเลยอ hmm. ก็ปรากฏว่าทําถึงที่สุดเหมือนกันคือไปคลุกกับมันเลยอะค่ะทีนี้พอเริ่มปีใหม่ก็คิดว่าจะทําบุญทุกวันเลยเพราะว่าทํากิเลสมาเยอะแล้วก็เลยก็เลยตั้งต้นเริ่มแต่วันที่สามสเ็เลยว่าเข้าวัดแล้วก็ทุกวันก็คือจะทําบุญแล้วก็ทําความดีทุกวัน ปรากฏ ว, ว่าใจสงบมากเลยทีนี้มาเริ่มตื่นกลัวตอนระเบิดเนี่ยค่ะตอนนั้นความกลัวเนี่ยจะวดุดลงมาถึงถึงทงเบื้องล่างเลยคิดถึงพระอาจารย์ทันทีเลยพระอาจารย์บอกว่าไม่ต้องติดตามข่าวสารเนี่ยตอนนี้เนี่ยไปไหนก็เจอระเบิดไปหมดเลยขนาดอยู่ในวัดออกมาก็มีแต่ระเบิดแบอบกว่าออกมาไม่ได้ข่าวสารเริ่มมีความสับสนแล้วไปอยู่วัดอะไรอะ่ะมีระเบิดก็วันนั้นนที่สามสิบเอ็ด อยู่ดีก็มีระเบิดวันที่สามสิบเอตอนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อะคะ่ะอ่ะหนึ่งครั้งผ่านไปครั้งที่สองก็ไปไปปีใหม่เลยเลยกลับมาจากห้องสมุดธรรมะเจอระเบิดข้างหน้าเราเลยคราวนี้คนขับรถถามว่าคุณจะไปข้างหน้าเนี่ยคือระเบิดข้างหน้ากับกับอีกทางหนึ่งอะคุณจะไปทางไหนก็เลยต้องบอกพระอาจารย์ว่าสงสัยต้องติดตามข่าวสารต่อไปอะคะ่ะว่าระเบิดนี้อยู่ตรงไหนบ้างแล้วรู้เหรอ รูล่วงหน้าไหมตามข่าวแล้วระเบิดอยู่ตรงไหนก็ขนาดแท็กซี่คนขับรถเขาบอกว่าเขาเขาบอกบอกได้หมดเลยสแกนนะบอกเราเลยว่าเนี่ยตรงนี้มีระเบิดตรงนี้มีระเบิดอะไรเงี้ยอ๋ออย่างนั้นก็ถ้ารู้ว่าระเบิดอยู่ตรงไหนเราก็ไม่ไปสิส่วนมากนะที่บอกตามข่าวตามข่าวมันตามตอนระเบิดแล้วก็เลยก็เลยคิดเหมือนกันค่ะพระอาจารย์ก็เลยแต่มันมีเทคนิคอันหนึ่งรู้ปะ ถ้าระเบิดมันระเบิดตรงไหนแล้วรีบไปอยู่ตรงนั้นนน่นอนคิดอย่างงา <c oughs> ั้นคิดให้มันระเบิดอีกทีก็ดีเลยยเี้จะได้แบบ high, high ไหายหายปวดเลยในทหารเรื อ, อกรีฑาคนหนึ่งมันยิงกันะอมันลบกันทางเรือนะลูกปืนหลนตูมลงตรงนี้นะมันวิ่งไปยืนตรงนั้นเลยยิงเขาข้างเดียวเลย <c oughs> มันบอกตามสถิติใ น, นลูกปืนมันไม่ลงที่เดิมอ <c oughs> าจารย์แล้วทีนี้แบบมีอีกเรื่องนึงอะค่ะพอดีจะย้ายบ้านพดี พอดีบ้านแบบว่าทําเสร็จเรียบร้อยแล้วที่ไปซื้อไว้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วจะไปเข้าบ้านใหม่มซึ่งบ้านใหม่เนี่ยแบบว่าก่อนที่จะไปซื้อเนี่ยมั ก, มก็เห็นอยู่แล้วนะคะว่ามีอะไรในนั้นทีนี้ก็แต่ตอนที่จะย้ายบ้านเนี่ยคุณแม่คุณแม่จะจ ะ, จะสวดมนต์บ่อยทุกวันนะคะคุณแม่บอกว่าเวลาเข้ามาในในที่หนูอยู่ที่หนูอยู่เนี่ยคุณแม่สัมผัสได้พระอาจารย์หนูอยู่มาหลายปีคนะ่ะหนูไม่เคยกลัวเลยเพอคุณแม่พูดปุ๊บเนี่ยมัน กลัวขึ้นมาแบบกำเริบเร า, <ม>าได้รับข้อมูลข่าวสารข่าวเป็นพิษแหละมันมันมันหยุดไม่ได้ที่ความกลัวมันคือตั้งแต่เริ่มปีใหม่นี่มันเต็มไปด้วยความกลัวตลอดเลยค่ะพระอาจารย์อะไปกลัวเยอะๆไปเดี๋ยวก็เขีดไปเองอะไอ้หนุ่มน้า น, านาเด็กหน้าซ้ายใสเบอร์แปดสิบสามอะเนี่ยคู่นี้พอนาเก่งจังเบอร์ห้าสิบ อตอนนี้มันสบายกายขึ้นนะคะพออยู่ข้างนอกก็เลยกลายเป็นเพลินๆ น, นะคะแต่พอพอมาอยู่ในวัดเนี่ยก็จะรู้เลยว่ามันมันเป็นความสุขคนละแบบะคะอยู่ที่โลกมันก็เพลินอย่างหนึง่งแต่มาอยู่ที่นี่มันมันเริ่มมันมันมีความสุขอีกแบบหนึ่งที่ได้นั่งฟังหลวงพอะะ่อค่ะจริงในโลกก็มีความสุขนะ ในโลกสิ่งที่คือโลกก็คือพวกกรรมมาสุขทั้งหลายนะั่นเองความสุขที่เนื่องด้วยตาหูจมูกลิ้นกายความสุขที่เนื่องด้วยการคิดถึงอารมณ์ทางโลกนั่นก็มีความสุขถึงเรียกว่ากามมคุณนี่กรรมคุณมีก็มีกร ม, ม, กรมโทษเหมือนกันเนาะสุขของโลกนะเหมือนสุขมัมเมมเหมือนสุขของเด็กเล่นกรวดเล่นทรายเล่นดินนะมันก็มีความสุขนะ สุขในธรรมนะั้นมันสุขประณีตสุขสะอาด ส, สุขสบาย <c oughs> เทียบกันไม่ได้หรอกความสุขในโลกหลวงพ่อก็รู้จักยาแจ้งเรารู้จักสุขในธรรมนี่มันเทียบกันไม่ติดเลยมันมันเหมือนอยู่ข้างนอกมันทานน้ำไม่ค่อยสะอาดนะคะเข้า <c oughs> มาฟังทมหลวงพ่อมันก็เหมือนเหมือนได้เหมือนได้น้าใสๆแล้วก็ <c oughs> มันก็รู้สึกว่าใจมันมันมันนุ่มขึ้นนะคะธรรมดานะก็ที่นะหลวงพ่อบอกว่ายังยังประคองอยู่ครับก็ก็ไปดูก็เห็นบ้างแล้วก็บางทีก็ถล่มไปบ้างครับก็ยังยังรู้สึกว่าชอบใช้ความคิดแทรกแซงแทรกแซงอยู่เยอะเหมือนกันดีละดีละที่รู้รู้แล้วรู้ทันพฤติกรรมของใจเราเองนะครับ ถ้รู้ไม่ทันนะมันปรุงไปทั้งชาติแหละไม่มีทางชนะเลยแล้วคือก็แต่ก็ยังมันก็ยังแทรกแซงอยู่เยอะครับดีที่รู้เ ว, เวลารู้ว่าเผลอมันก็มันก็เหมือนจะสงสัยขึ้นมาว่าเราเราแค่คิดถึงเรื่องการปฏิบัติขึ้นมาหรือเปล่าเราก็เลยเปลี่ยนเรื่องสนใจอะไรเงี้ยครับือเป็นยังไงเปลี่ยนเรื่องสนใจคือเหมือนแบบก็ถ้าเกิดสมมติผมวิ่งวิ่งอยู่เนะครับแล้วเราก็คิดไปเรื่อยๆแล้วสมมติ รู้สึกตัวว่าเผลอว่าเผลอไปเมื่อกี้ะครับอืแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นแค่การที่เรารู้สึกว่าเราเราเปลี่ยนเรื่องคิดมาคิดถึงเรื่องการปฏิบัตินะครับคือตรงที่รู้ว่าเผลอเนี่ยนะตรงเนี้ยรู้รแต่หลังจากนั้นอ่ะมันมันมนมกจะเติมความคิดลงไปอีกเพราะเราชอบคิดไงแต่ก็ยังดีที่รู้ว่าเผลอนะรู้บ่อยๆก็แล้วกัน อ๋อก็มาครั้งแรกอะค่ะช่วงที่ผ่านมาก็ก็รู้สึกหลงไปกับโ น, นนีไม่ค่อยสงบเท่าไหร่อะค่ะเวลากิเลสเกิดมองเคยมองเห็นไหมอย่างใจมันโมโหขึ้นมาใจมันโลภขึ้นมาอะไรเงี้ยเห็นไหมเห็นเห็นถนะ้า <laughs> เห็นบ่อยๆก็ดีละเราแบบบางทีเห็นเราก็ไม่รู้จะทำยังไงกับมัน <laughs> เห็นแล้วอะไรนะแบบ บางทีก็เห็นว่าโอ e, ้ยเนี่ยแบบไม่ค่อยสบายใจเนี่ยแต่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงไม่ได้ให้ทําอะไรให้ดูไปว่าความสบายใจนะเป็นของชั่วคราวและความสุขก็ของชั่วคราวนะไม่ใช่แค่ชั่วคราวไม่สบายใจหรอกทุกอย่างชั่วคราวหัดดูไปอย่างเนี้ยดูไปความรู้สึกทุกชนิดที่เกิดขึ้นมาให้จิตรู้เนี่ยเป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยให้ตามรู้ไปอย่างเนี <like ้ยต่อไปปัญญามันจะเกิดนะมันจะรู้ว่าความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราว งั้นต่อไปพอความสุขเกิดขึ้นใจไม่หลงระเริงแล้วความทุกข์เกิดขึ้นใจก็ไม่คล่ำควรวญตีโพยตีภายหรือว่าชั่วคราวเราก็จะสามารถอยู่กับโลกได้อย่างสงบสันติมากขึ้นมากขึ้นค่ะหลวงพ่อก็ช่วงนี้เหมือนจะหลงไปคิดได้ง่ายอะคะ่ะแล้วก็ไปอยู่กับอารมณ์เยอะๆนานๆนะคะหลวงพ่ อ, อ เดีรลงนานนะเนี่ยมันเป็นปัญหาของช่วงปีใหม่คริสต์มาสเลยพวกเนี้ยที่ภาวนาอยู่ใช้ได้นะเด็กกลุ่มนี้ีนะเรียนจบแล้วเหรอจบยังยังไม่จบค่ออะหล่อใช้ได้เด็กกลุ่มนี้ดีอยู่ซิริราชหรือที่ไหนอยู่ยจุฬ า, าค่ะดีละ ดีบพมาครั้งแรกค่ะตอนนี้ที่รู้สึกคือค่อนข้างจะรู้สึกง่วงค่ะเออตอบถูกง่วงใช่ไมายมาครั้งแรกรู้ว่าง่วงแล้วใช้ได้ <c oughs> ไปหัดดูใจนะดูใจตัวเองเรื่อยรู้รู้สึกว่าช่วงนี้ความทุกข์น้อยลงค่ะและทราบว่าในแต่ละวันยังมีช่วงที่ใจเบิกบานเป็นช่วงๆค่ะแต่ว่าในขณะที่ จิตเบิกบานมันเหมือนกับเบิกบานแล้วมันก็ไปติดกับอะไรอยู่พอเบิกบานมันมันไม่เต็มที่ค่ะแล้วมันก็จะกลายเป็นวิตกต่อไปอีกครันมันคือพอเบิกบานนะพอเราไปสติไปเห็นข้าวนี่ยใจที่มันมีปัญญามากๆมันจะรู้ล่วงหน้าว่าเบิกบานนี้เอาเป็นที่พึ่งไม่ได้หรอกใช่ความเบิกบานเลยหายไปใจแห้งๆนั่นแหละเพราะว่ามันฉลาดเกิดไปแต่ห้ามมันไม่ได้ กราบนมัสการหลวงพ่อคะอ่ะเมื่อวันซื่นหลงไปก็รู้คิดก็รู้อแต่พอเมื่อวานสติแตกโมโหหุ่หงิดแล้วก็ตามไม่ทันนะคะวันนี้ก็รู้สึกผิดก็เลยรู้สึกว่าถ้าโกรธต่อไปก็คงจะปล่อยแล้วก็จะลองดูว่ามันจะหายเมื่อไหร่อืดีนะให้มันโกรธแล้วเราตามดูไปดูซิเธจะโกรธได้นานสักแค่ไหนอย่าไปดูว่าเป็นเราโกรธเล ให้เห็นว่าความโกรธเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้านั่งดูซิเธอจะเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะยาไปเกลียดมันรกราบของพ่อนะครับก็ปฏิบัติมาได้ระยะหนึ่งครับแต่ว่าตอนนี้ยังค่อนข้างจะสับสนยังไม่แน่ใจว่าที่ปฏิบัติเนี่ยแนวทางเป็นยังไงครับก็พู้ว่าลองมาหลายวิธียังไงก็ถ้าโยมยสับสนนะนะเราอยังรู้ว่าตัวเองสับสนก็ใช้ได้นะ ให้รู้ลงไปรู้ซื่อๆอย่างพวกเด็กๆเนี่ยเด็กๆเนี่ยมดูซื่อๆความรู้สึกเป็นยังไงก็รู้ไปอย่างนั้นเองไม่คิดมากอะไรดูไปในที่สุดปัญญามันจะเกิดว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปเราต้องการเห็นแค่นั้นเองในที่สุดเราจะรู้เลยเรามีชีวิตอยู่ชั่วขณะปัจจุบันนี่เองอดีตก็หายไปหมดแล้วอนาคตมันก็ยังไม่ได้มีจริงมีชีวิตอยู่ต่อหน้าปัจจุบันนี่แล้วสิ่งที่อยู่ในปัจจุบันนี่ก็เพียงของชั่วครั้งชั่วคราวแวบเดียวเอง น, นทุกอย่างเนี่ยเอาเป็นที่ยึดถือที่ยึดเหนี่ยวอะไรไม่ได้สักอย่างเดียวเลยทั้งอดีต ท, ทั้งอนาคตส่วนปัจจุบันก็จับไว้ไม่ได้มาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปใจจะเข้าใจความจริงเลยทุกอย่างเกิดแล้วดับหมดเลยหาสาระแก่นสารในโลกในหาไม่ได้เลยคือเพิ่งมาเป็นครั้งที่สองะคะ่ะปกติก็ไม่ค่อยได้เข้าวัดแล้วก็ยังไม่เคยปฏิบัติธรรมเลย ที่มาก็เป็นเพราะว่ามีคนบอกว่าปฏิบัติธรรมแล้วดีแต่เหมือนกับตัวเองไม่ได้เข้าใจว่ามันดีก็เลยไม่เคยได้เริ่มปฏิบัติจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้เห็นด้วยตัวเองว่ามันดีอะค่ะให้ไปดูเวลากิเลสเกิดนะคอยรู้บ่อยๆเวลาโมโหขึ้นมาอะไรเนี่ยให้ดูที่ความโมโหอย่าไปดูคนที่ทำให้เราโมโหนะดูที่ความรู้สึกของเราหัดดูไปสักเดือนหนึ่งแล้วก็จะรู้ว่ามันดียังไง อ้าวใหม่ส่งกันบ้านไม่มีที่จะส่งต่อแล้วติดเสาแล้วครับรู้สึกช่วงนี้มันก็กลับมารู้นึกรู้ตัวได้ได้เป็นระยะขึ้นนะครับเวลาภาวนานะ่เห็นนั่งทิงเสาเนะี่ยรู้สึกเลยเวลาเราภาวนาจริงๆนะบางจุดนะเหมือนหลังชนเสารจริงๆนะไม่มีทางหนีครับเหมือนมั น, มนพอใจที่จะรู้กลับมารู้กายรู้ใจอะไรเองครับตั้งแต่ตื่นจน จนนอนแต่ตอนทำงานคิดมันก็คิดไปแต่พอคิดเสร็จแล้วมันก็มารู้ดีแล้วใหม่ฝึกไปนะฝึกไปแต่มันมีปัญหาว่าหลังๆมันเจอคนแล้วมันไม่ค่อยอยากพูดนะครับหลวงพ่อให้รู้ให้รู้ความไม่อยากพูดนะรู้ตรงไปแยกออกไปอีกในสุดใจก็เป็นกลางกับทุกๆสภาวะทีเราภาวนาแล้วเราเห็นนะโลกไร้าสาระเห็นความไร้าสาระระเบือ่อ ขี้เกียจคลุกคลีขี้เกียจสูงสิงแต่ว่ามันยังมีภาระต้องไปยุ่งด้วยก็ต้องไปยุ่งก็มีอยู่วันมีพระผู้ใหญ่มาก็จะต้องรู้สึกว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องสนทนากับท่านตามมารยาทแต่ก็นั่งต่อหน้าท่านมันก็เห็นความอยากพูดขึ้นมาแล้วมันก็ก็ไม่พ้นลําคอประมาณยี่สิบกว่าครั้งจนจนไม่ไหวะครับจนจนกลัวจะเสียมรารยาทก็ไม่แน่ใจว่ามันไปฝึกอะไรผิดหรือเปล่ามันเลยไม่ได้ทําเหมือน มันทำผิดหน้าที่อะครับทำไมนะหลวงพ่อไม่เข้าใจคือคือตามหน้าที่ตามมรารยาทก็ควรจะต้องสนทนากับท่านถ้ามาเยี่ยมอะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่าพอมันจะพูดมันจะปรุงคําพูดขึ้นมาเนี่ยมันหลุดขึ้นมาถึงแค่แค่ลิ้นปี๋อะไรแบบนี้นะครับพอมันเห็นมันก็ดับไปอื ม, มันอยู่ต่อหน้าท่านแล้วเป็นอย่างเี้ประมาณยี่สิบกว่าครั้งเกือบสามสิบครั้งจนจนจ น, จนมารู้สึกว่าเสีย ม, มรารยาทกับท่านนะครับก็เลยเลยไม่แน่ใจว่ามันไปฝึกอะไรเพี้ยนหรือเปล่า อ๋อไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าหาคนมาไปพูดแทนเราไว้เราก็ไปรับแขกนิดๆหน่อยๆนะแล้วเราก็ถอยสิครับให้นัยนิตรับแขกไปใครชอบคุยครับนะครับตกลงไม่ไม่ไม่มีอะไรเพี้ยนเพียนใช่มไม่มีอะไรปกติครับคือใจพอมันปลุงขึ้นมาสติรู้ทันนลไม่รู้จะพูดอะไรเรื่องไร้สาระทั้งหมดเลยครับไปโอโลงปฏิโลมกันไม่เห็นมีอะไรเลย เพราะฉะนั้นเราเป็นเจ้าของสถานที่มีหน้าที่รับแขกเราทำเองไม่ได้นะเราก็ตั้งคนมารับแขกแทนครับนะคนไหนเขาช่างคุยก็ให้เขารับไปครับเราก็มาโปรมากราบกราบแล้วเราก็ไปภาวนาของรเราแล้วหลงพ่อมีการบ้านอะไรไหมครับไม่ไม่ต้องนะที่ใช้ใช้ได้แล้วที่ทาอยู่ครับเนื้อท้งนี้อยู่กลุ่มหนึ่งใครจะคุยอะไรไหมสาวสาวแถวสุดท้าย มีไหมอ้าวไม่มีแล้วเชิญโยมกลับบ้านไป